สิกขาบทวิพัง332ที่ชื่อว่าใช้นิ้วมือจี้คือภิษูจจี้ด้วยนิ้วมืออุปสัมันประสงค์จะให้อุปสัมัญหัวเราะใช้กายจับต้องกายต้องอบัตปาจิตตี